สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตรบทที่สิบห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดครับโปรดฟังพระวอษะของพระเจ้าอาบิยาขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาตรงกับปีที่สิบแปดของรัชการเยโรโบอัม บ, บุตรเนบัตพระองค์ทรงครองราชอยู่ในกรุงเยเรูซาเล็มสามปีราชมารดาคือมาอาคา ทิดาของอาบิชะลมโรงทรงทาบาปทุกอย่างเช่นเดียวกับราชบิดาและไม่ได้มีพระไทยพักดีแน่วแน่ต่อพระยาเวพระเจ้าเหมือนดาวิดบรรพระบุษแต่ผู้เห็นแก่ดาวิดพระยาเวพระเจ้าของเขาทรงโปรดประทานดวงบัทีบดวงหนึ่งในเยรูซาเลม็มโดยให้โอรดองค์หนึ่งขึ้นมาครองราดต่อและทำให้เยรูซาเล็มเข้มแข็ง พระดาวิดได้ทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระบุตนเจ้าบริบัติตามพระบัญชาของพระองค์ทุกประการตลอดชีวิตยกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปูริยาชาวอินทไทยตลอดพระชนชีพของอาบิยามีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมเหตุการณ์อื่นๆในรัชการอาบิยาและพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือและมีสงครามระหว่างอาบิยากับเยโรโบอัม และอบิยาทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ในเมืองดาวิดแล้วอาสาโอรสของพระองค์ขึ้นของราดแทนพี่น้องครับผมจะขออนุญาตนําศัท์ใหม่ครับให้กับพี่น้องก็คือหลังจากที่โซโลมอนคลองราดแล้วอาณาจักรก็ถูกแบ่งแยกไปเป็นเหนือและเป็นใต้ฝ่ายเหนือนั้น เรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลฝ่ายใต้นั้นเรียกว่าอาณาจักรยูดาห์และทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าอาณาจักรที่ถูกแบ่งแยกหรือว่า divided kingdom ก็คืออาณาจักรที่ถูกแบ่งออกเป็นเหนือและใต้สองอาณาจักรนะครับขอทบทวนครับอาณาจักรเหนือเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลอาณาจักรใต้เรียกว่าอาณาจักรยูดาห์เลโฮโบอัมนั้นเป็นลูกของโซโลมอน เมื่อมีอำนาจขึ้นมาอาณาจักรที่แข็งแกร่งของชุลมอนก็ตกทอดเหมือเขาเขามีทุกอย่างตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นอำนาจไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งทุกอย่างแต่เลโฮโบอัมมันไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเคยมีอยู่นั้นมากมายหมหาศาล น, นั้นซึ่งได้มาอย่างยากลำบากในสมัยของดาวิดในสมัยของชุลมอนนั้นสามารถที่จะเสียไปได้ภายในพริบตาเดียวถามว่าเสียไปได้ยังไงครับ พระเจ้าได้ทรงให้ชิชักแห่งอียิปต์มารุกรานยูดาห์ประเทศอิสราสรเอลเพื่อสั่งสอนเลโฮโบอัมตอนนี้ตอนช่วงนี้นะครับที่กษัตริย์ชิชักแห่งอียิปต์นั้นอียิปต์ไม่ได้เป็นมหาอำนาจของโลกอีกต่อไปแล้วในอดีตเรารู้นะครับว่าอียิปต์นั้นเป็นมหาอำนาจจริงๆเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าหลังจากนั้นมานะครับมาจนถึงยุค ข, ของอาณ า, าจั ก, กรกษัตริย์ชิชัก แห่งอียิปต์ไม่ได้เป็นแล้วชิชักนั้นก็คงไม่พอใจกับความสําเร็จยิ่งใหญ่ของโซโลมอนและตั้งใจจะมาทําลายยูดาห์และอิสราเอลเราคงรู้แล้วครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของความเสื่อมถอยของยูดาห์อิสราเอลที่ทําให้กษัตริย์ชิชักได้มาโจมตีเพราะเนื่องจากโซโลมอนนั้นได้พลาดไปครับในเรื่องของการรับมาเหศร์ต่างชาติเข้ามา แล้วก็ให้เขามาอยู่รอบๆกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ให้สร้างสถานธรรมสการพระของเขาได้นั่นครับคือความเสื่อมถอยความตกต่ำถ้าว่ากันตามกำลังจริงๆแล้วนะครับษัตร์ชี่ชักเนี่ยแท้จริงในสมัยของโซโลมอนเนี่ยเขาก็ไม่มีกำลังพอที่มาต่อกรกับอาณาจักรอิสราเอลเลยนะครับตอนที่เป็นยูไนเต็ดคิงดอมนี่นะครับหรือว่าเป็นราชอาณาจักร ที่เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ไม่มีทางครับแต่เมื่ออิสราเอลนั้นแยกเป็นเหนือเป็นใต้ชีชักนั้นก็ได้โอกาสครับก็ยกทัพมาโจมตีอิสราเอลในที่สุดก็สามารถที่จะเอาชนะได้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ยูดาห์และอิสราเอลนั้นอ่อนแรงจนไม่อาจฟื้นคืนสภาพกลับมาเป็นอาณาจักรเดียวได้อีกผมจะขอใช้คาว่าอาณาจักรที่ แตกแยกแล้วหรือว่าดี d e เด i n g d o m เพียงแค่หลังจากโซมอนตายไปแค่หปีเท่านั้นเองครับพระวิหารและพระราชวังก็ถูกชาวต่างชาติลุกราห5ปีครับพี่น้องเป็นเวลาที่สั้นนิดเดียวนะครับอาณาจักรอิสราเอลก็ล่มสลายพระวิหารและพระราชวังถูกชาวต่างชาติลุกลาและป้นสะดมเอาทรัพย์สมบัติไปชงาราศีพระราชอำนาจและทรัพย์สินต่างๆก็ สูญเสียไปอย่างรวดเร็วจริงๆครับสา ม, มอพี่น้องจำได้ไหมครับหนึ่งมีม้ามากสองมีเมียมากสามมีความมั่งคัง่งมากริงนกลางๆเหล่านี้ครับสามารถเสื่อมถอยไปและหายไปภายในห้าปีความยิ่งใหญ่สูงสุดในการปกครองบ้านเมืองการที่มีชื่อเสียงมากๆชติปัญญาที่เลิศล้ำถ้ามี แต่ว่าไม่มีพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็ยากที่จะปกป้องไว้กับพี่น้องครับเมื่อประชาชนเสื่อมถอยไปด้านจิตวิญญาณขาดศีลธรรมพวกเขาก็สูญเสียทุกสิ่งไปในไม่ช้าความมั่งมีการกล่าวไว้รูปเคารพและการผิดศีลธรรมกลายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเขานั้นมากกว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้มาเป็นที่หนึ่งแต่ว่าความมั่งมีมาเป็นที่หนึ่งการกลาบไม่รูปเคารพเพื่อให้เกิดความสบายใจการปรับตัวเองเข้าสู่ ความสะดวกสบายสูญเสียไปครับในทุกในที่สุดเขาสูญเสียทุกสิ่งไปเพราะว่าเขาเอาพระเจ้ามาทีหลังเมื่อชีวิตของเราไม่มีพระเจ้าทุกสิ่งก็ไม่มีค่าและมันก็จะหายไปในที่สุดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเบื้องหลังของบทที่สิบห้าซึ่งเป็นราชวงยูดาล่าชวงยูดานั้นสืบทอดจากเรโหโบอัมนั้นลูกของเลวบอัมก็ ชื่อว่าอาบิยาพี่น้องครับเลโฮโบอัมซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์ครองราชอยู่แค่สิบเจ็ดปีเมื่อวานนี้เราได้พูดไปแล้วนะครับพออาบิยาขึ้นนะครับตรงกับปีที่สิบแปดของเยโรโบอัมฝ่ายเหนือครับเพราะฉะนั้นการบันทึกของพกกระกัมภีหนึง่งพงษ์กษัตริย์นั้นก็จะบันทึกสลับกันไปครับเหนือใต้ใต้เหนือเหนือใต้ใต้เหนือแต่พี่น้องคงจําได้นะครับว่าอาณาจักรฝ่ายเหนือนั้นไม่มีกษัตริย์ที่ดีเลยครับ แต่จากฝ่ายใต้ยังมีดีอยู่บ้างอาบิยาจะเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ไหมคําตอบก็คือไม่ใช่เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในพระมุีข้อที่สบอกว่าพระองค์ทรงทําบาปทุกอย่างเช่นเดียวกับราชบิดาและไม่ได้มีพระไทัยพักดีแน่วแน่ต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์เหมือนดาวิดบรรพระบุตรพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่สรุปชีวิตของอาบิยาอาบิยานั้นถือว่าเป็นหลานของโซโลมอนแล้วครับ แต่เพียงไม่กี่ปีก็คือประมาณปีที่สิบแปดอาบิยาขึ้นของราชและของราชอยู่สามปีแม่คือมาอาคาทิดาของอาบิชาลมภี่ตอนนี้มีคำหรือว่าลีที่น่าสนใจก็คือว่าคำว่าบาปทุกอย่างเช่นเดียวกับราชบิดาแท้จริงแล้วพี่น้องครับการมีจิตใจที่ไม่จงรักภักดีกับพระเจ้าพระยาเวนั้นนั่นแหละครับคือบาปครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบบาปของอาบิยาหรือบาปของเลห์โวอัมก็ดีนะครับเปรียบเทียบกับบาปของดาวิดมันคนละเรื่องกันแม้ว่าดาวิดจะทําบาปร้ายแรงก็คือเขาได้ฆ่าอุริยาแล้วก็เอาเอานางบาดเชบามาเป็นภรรยาพี่น้องครับตรงนั้นแหละครับถามว่าทําไมดาวิดก็ทําบาปเหมือนกันแต่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขา พี่น้องครับแม้ดาวิดจะทําบาปร้ายแรงแต่หัวใจของดาวิดไม่เคยหันเหจากการนมัสการพระเจ้าไปนมัสการเท พ, พเจ้าหรือไปนมัสการพระของชาวคนาอันไม่เคยเลยครับหัวใจของดาวิดนั้นแม้ว่าจะทําบาบแต่เขาก็กับใจเสียใหม่จริงๆและพระเจ้าก็ลงโทษให้บาปของเขานั้นได้ส่งผลทําให้ลูกเขานั้นเสียชีวิตลงพวกเราคงจําได้ดีเพราะยังจากตรงนี้นี่เองครับเราได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มาก พี่น้องครับบาปที่ยกไม่ได้เลยก็คือบาปแห่งการกราบไหว้รูปเคารพซึ่งเป็นบาปหนักหนาพี่น้องครับเมื่อเรารู้เช่นนี้เราควรจะรู้กระบวนกของการทําบาปหนักหนาครับก็คือการประณีประนอมกับโลกแล้วทําให้ความเชื่อนั้นไม่ได้ถ่ายทอดลงไปสู่สสสลูกหลานครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากเราเขียนได้จากราชวงศ์ของกษัตริย์ในพระธรรมหนึ่งทงกษัตริย์นี้เรื่อยไป พี่น้องครับแต่ครับพระเจ้ายัางเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสเสมอก็คือโปร่งจงให้โอกาสเพื่อที่เราจะทั้งหลายจะกลับใจใหม่เราจะต้องไม่ฝักไฝและเราจะต้องดึงครอบครัวของเราให้กลับมานมัสการพระเจ้าให้ได้นั่นแหละครับคือการถ่ายทอดวงจรแห่งพระพรพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งโพกระสับบทที่ส้านี้เราจะเห็นถึงแทนที่อิสราเอลจะมีวงจรแห่งพระพร แต่กลายเป็นวงจรแห่งความชั่วร้ายครับเพราะว่าอิสราเอลแตกแยกกันและมีสงครามระหว่างอิสราเอลฝ่ายเหนือและอิสเอลฝ่ายใต้เ้าเรียกว่าสงครามระหว่างอาบิยากับเยโรโบอัมเทียบกันชัดเจนเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังครับได้ปัทุกลายเป็นการสู้รบโดยอาบิยานั้นได้พิชิตเยโรโบอัมและยึดเมืองไปหลายเมือง รวมถึงเบ็ดเอลด้วยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเบื้องหลังทางด้านของการเมืองโดยมีการศาสนานั้นเป็นรากเหง้าของความล่มสลายในที่สุดกษัตริย์อาบิยาก็ล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วก็ตายไปนั่นเป็นการบันทึกของพระธรรมหนึ่งพงศษัตร์เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตเดียวครับเราเกิดมาและตายไปแต่ ระหว่างที่เรามีชีวิตยอยู่นั้นเราจะเป็นผู้นำที่ดีเป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นผู้ปกครองที่ดีเราจะทำอย่างไรครับเราจะต้องเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าและรักษาความเชื่อศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้าโดยไม่สั่นคลอนโดยไม่ประนีประนอมโดยที่เราจะต้องยึดในพระวจนะของพระเจ้าและบทบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไว้ให้มั่นคง เพื่อที่วงจรแห่งพระพรจะได้ถ่ายทอดไปถึงลูกถึงหลานต่อไปอาเมน